อีกอย่างหนึ่งนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่เมตตาเนี่ยมีอนุภาพมากกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้ด้วยเวลามาสูตรนะครับเช่นในเวลามาสูตรนะในเวลามาสูตรนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงว่าทานที่ให้แก่พระโสดาบันองค์หนึ่งเนี่ยนะครับมีผลมากกว่าทานของเวลามาพราหมณ์นั้นมากนะครับคือเวลามาพราหมณ์เนี่ยนะครับไปอ่านในอังคุตรนิกายนวาการนิบาศนะครับเวลามาสูตรเนี่ยนะ ทานของเวลามะพรมณ์ที่มหาศารขนาดนั้นนะสู้ผู้ที่ให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคลคนเดียวไม่ได้นะครับมีผลมากกว่าทานของเวลามาพรม์เพราะเวลามะพรม์ไม่ได้ให้ในทักขินยาบุคคลนะครับคือให้ในสมัยนั้นไม่มีใครเป็นทักขินยาบุคคลเลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าหากว่าให้ทานแก่พระโสดาบันร้อยหนะครับก็มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระโสดาบันองค์เดียว ให้ทานกับพระสกทาคามีองค์หนึ่งมีผลมากกว่าให้ทานแก่พระโสดาบันร้อยองค์ถ้าหากว่าให้ทานแก่พระสกทาคามีร้อยองค์ก็มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระสกทาคามีองค์เดียวให้ทานแก่พระอนาคามีหนึ่งองค์มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระสกทาคามีร้อยองค์ให้ทานแก่พระอนาคามีร้อยองค์มีผลมากกว่าให้พระอนาคามีองเดียว ให้ทานแก่พระอรหันต์ห <reno> นึ่งองค์ก็มีผลมากกว่าพระอนาคามีร้อยองค์ให้ทานกับพระอรหันทร้อยองค์นะครับก็มีผลมากกว่าพระอรหันต์องค์เดียวให้ทานกับพระปเจกับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ก็มีผลมากกว่าพระอรหันทร้อยองค์นะครับถ้าให้ทานกับพระปเจกร้อยองค์ก็มีผลมากกว่าพระปเจกองค์เดียวถ้าให้ทานกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็มีผลมากกว่าพระปเจกร้อยองค์ที่ว่าไปนะครับ เพราะฉะนั้นโหพัฒฐานโคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบุคคลให้ น, นะมีผลมากจริงๆทีนี้ถ้าหากว่าให้ทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีผลมากกว่าให้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครทีนี้บอกว่าถ้าหากว่าให้วิหารทานนะครับเจาะจงแก่สงฆ์ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสีนี่นะครับก็มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทีนี้บอกว่าการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีผลมากกว่าการถวายวิหารทานอย่างที่ว่าไปทีนี้ผู้ที่ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับก็มีผลน้อยกว่าผู้ที่ถึงไตรสรณคมด้วยมีศีลด้วยนะครับนะถา้าถ้าถึงไตรสรณคมอย่างเดียวไม่มีไม่ได้สมาทานศีนก็มีผลน้อยถ้าสมาทานศีนด้วยก็มีผลมากกว่านั้นเสร็จแล้วก็ยังแสดงบอกว่าการเจริญเมตตาเนี่ยนะครับ ชั่วรีดนมโคดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็มีผลมากประการสมาทานศีลนั่นอีกคือหมายความว่าถ้าหนึ่งถึงไตรสารณาคมด้วยสมาทานศีลด้วยมาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นด้วยก็มีผลมากไปอีกนะครับไอที่มากไปกว่านั้นก็คือการเจริญอนิจจสัญญาก็คือเจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นจะมีผลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมันดูได้นะครับจากในเวลามาสูตรอังคุตระนิกายนวกระนิบาศนะครับ แต่ไม่ควรกล่าวถึงเมตานั้นดีเกินกว่าบุญนิดหน่อยนะครับคือคืออย่าไปคิดว่าเป็นเมตตาธรรมดานะเพราะเป็นบุญประกอบด้วยมหคตกรรมอันนี้ต้องเอาเมตตาระดับฌานนะครับจึงจะเนื้อกว่าเมตตาอื่นๆทั่วไปสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากรรมใดกระทําพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในภพนั้น กรรมใดกระทําพอประมาณกรรมนั้นย่อมไม่ติดอยู่ในภพนั้นนะครับคําว่าก็การมอาวจรกรรมเนี่ยนะครับชื่อว่ากรรมทาแต่พอประมาณแต่มหาคตกรรมชื่อว่ากรรมกระทําไม่เป็นประมาณเพราะพ้นประมาณแล้วทำเจริญด้วยการแผ่ไปโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงนะครับโอทิโสพัฒนากับอโนทิโสพัฒนาใช่ไหมครับมันเป็นการเจริญเมตตาอย่างกว้างขวางฉนั้นรายละเอียดก็ โปรดศึกษาได้จากวิสุทธิมรรคนะครับพรหมวิหารนิเทศเมตตาพรหมวิหาร น, นะครับ เ, เดี๋ยวจะถามตัวนี้นิดนึงนะถามว่าการที่บุคคลถึงใต้สารนานคมนะแต่ว่าบุคคลที่มีถึงใตสรนาคมด้วยมีศินด้วยจะมีอันนี้ส่มากกว่าที่จะถามนี่ก็คือบุคคลที่ไม่ถึงใต้สารนานคมแล้วสมาทานศินนี่ เป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมแล้วก็อทิสงเนี่ยจะมากเท่ากับผู้ที่มีไตสรสารนคมด้วยศินด้วยหรือเปล่า โ, โดยธรรมดาเนี่ยนะครับสินเฉยเฉยนะรักษาศีลเฉยๆโดยที่ไม่ถึงไตรสารณาคมเนี่ยนะถึงไตรสารณาคมมีผลมากกว่ามีผลมากกว่ารักษาศินเฉยเฉเอาถามว่าคนที่รักษาสินเฉยเฉโดยที่ไม่ถึงไตรสารณาคมเนี่ยมีไหมมีก็ฝรัง่งเยอะแยะนะครับฝรั่งคนดีๆก็มีเยอะแยะไปเช่นเขาฝรั่งบางคนไม่ฆ่าสัตว์นะครับ ฝรั่งบางคนเนี่ยรักทรัพย์นี่ไม่มีนะครับบางคนนี่ก็ซื่อสัตย์ในบุตรภรรยาตัวเองมากนะครับมูสาวาสก็ไม่เป็นเหล้าก็ไม่ดื่มเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาศีลเขาดีนะครับแต่เขาไม่ได้ถึงไตรสรณคมอะไรนะครับแล้วเขาก็เคร่งครัดด้วยในเรื่องศีลนั้นๆของเขานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีไตรสรณคมอะไรเลยไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอะไรนะครับถ้าโดยธรรมดาเทียบเทียบกันแล้วผู้ที่ถึงไตรสรณคมมีอานิสงส์มากกว่า มีศีลธรรมดาทั่วไปอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผู้ที่ถึงไตราสารณคมนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันแล้วนะครับสงเคราะห์เป็นบุคคลประเภทปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโซดาบันเพราะฉะนั้นทานที่ให้แม้แก่อุบาสกผู้ถึงไตราสารณคมก็เรียกว่าเป็นทักษิณยาบุคคลนะครับมีผลหาประมาณไม่ได้เหมือนกันถ้าที่เขาตามวัดทั่วไปเนี่ย ก็จะมีการธรรมท า, านตินก่อนที่จะธรรมท า, านติณเนี่ยเขาก็จะกล่าวคําพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ความลึกซึ้งในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเนี่ยอันนี้จะถือจะสือว่าเขาได้ถึงไตสรสานาคมหรือยังสภาวะธรรมที่ถึงไตสรสนาคมนะครับองค์ธรรมได้แก่สัมมาทิฐิและทิฏฐุชุ ก, กรรมนะครับองธรรมนะ พูดไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นกรรมมสการตาประเภทสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นทิฏฐุชุกกรรมทีนี้เราก็มาถามดูว่าขณะที่เขากล่าวเนี่ยนะเขามีเจตนาเหล่านี้ไหมล่ะนะครับถ้าเขามีก็แสดงว่าเป็นนะครับถ้าไม่มีก็ประเพณีนิยมนะรัพอเป็นประเพณีนิยมผมก็ไม่วิจารณ์นะครับมมทิฏฐุชุกรรมนะครับสัมมาทิฏฐิและทิฏฐุชุกกรรมนะครับเป็นเป็นตัวที่เข้าถึงตาสนาคมนะองค์ธรรมหรือสภาวะอันนั้นนะครับ ครับขออาญารนะครับ ท, ที่ท่านอาจารย์ว่าการเจริญเมตานั้นก็สู้เจริญอนิจจสัญญาไม่ได้นั้นขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งหนึที่ว่าเมื่อกี้นี่หมายถึงอนิจจานุปัสสนานะครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะหมายถึงอนิจจานุปัสสนาเพราะว่าการเจริญอ น, อนิจจานุปัสสนานะครับเป็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมร์นะครับ แล้วอนิจจานุปัสสนานี่นะครับถ้าโดยเทียบทั่วๆไปแล้วก็หมายตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนะครับคือผ่านอุทยพยญาณไปแล้วนะครับรคือแต่ว่าวิปัสสนาที่มีสมถะเรานั้นเป็นบาทนั่นเองนะครับถ้าโดยตรงๆแล้วก็หมายถึงวิปัสสนาที่เป็นบาทแห่งโสดาปฏิมาขันนะแต่ไม่ใช่ว่าเออมนันเอออะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างอย่างนี้แล้วก็จะได้อนิจจานุปัสสนาแล้วอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ ต้องระดับพังขยานเป็นต้นไปหมายความว่ารู้จักขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยเป็นอย่างดีแล้วใครครวนถึงขันเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับแล้วปรารถถึงเหตุเกิดและความดับแล้วก็ใส่ใจถึงความดับอย่างเดียวนี่นะครับจึงเรียกว่าอานิจจานุปัสสนาไม่เที่ยงนะครับสิ่งนัไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ใส่ใจเจริญอย่างนี้พอบพูนอย่างนี้มากๆอันนั้นเนี่ยมีผลมากนะครับมากกว่าการเจริญไม่ตายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ เขาบอกว่าไอ้มหคตะกรรมเนี่ยนะครับกรรมที่ระดับฌานเนี่ยนะครับเป็นกรรมที่กระทําไม่เป็นประมาณเพราะว่าพ้นประมาณแล้วทําเจริญด้วยการแผ่ไปโดยการเจาะจงและไม่เจาะจงเนี่ยนะครับระดับฌานจิตเนี่ยนะกามาวจรกรรมนี่นะครับไม่สามารถยึดติดในระหว่างมหคตะกรรมหรือเพื่อครอบงํากรรมนั้นแล้วถือโอกาสแห่งผลของตนดํารงไว้ได้หมายคาอว่าถ้าได้ฌานแล้วนะครับตัวฌานเนี่ยนะ จะเป็นผู้ครอบงามหากุศลทั้งหมดแล้วให้ผลเองมหากุสลทั่วๆไปจะไปครอบงํำชาณจิตให้ผลไม่ได้นะครับเพราะว่าชาณจิตนี้ประเภทอนันตริยกรรมนะครับถ้าไม่เสื่อมนะครับมันก็ให้ผลนําเกิดได้ทีนั้นแหละมหคัตกรรมนั่นแลครอบงํากรรมนิดหน่อยนั้นดุดห่วงน้ําใหญ่ท่วมทับน้ําน้อย แล้วถือโอกาสของตนตั้งอยู่ห้ามผลของกรรมนั้นแล้วนำเข้าไปสู่ความเป็นสหายของพรหมด้วยตนเองเพราะเหตุนั้นข้อนี้จึงเป็นอธิบายของมหักระตกรรมเหล่านั้นนะครับก็คือชาญจิตก็ต้องเหนือกว่ามหากุศลอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับถ้าไปเกิดเป็นพรหมก็เหนือเทวดาอยู่แล้วนี้นะทีนี้คาถาที่บอกว่าบทว่าอปประมาณนางได้แก่ไม่มีประมาณด้วยอนาจภาวนาและอารมณ์นะครับที่เจริญเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยนะ จริงอยู่เมตตาไม่มีประมาณด้วยไม่ทำการยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ดุจอสุภาภาวนาเป็นต้นนะครับคือเมตตาเนี่ยจะไม่เจาะจงอ่ะนะอสุภาก็จะเอาศพใดศพหนึ่งนะครับแต่เมตตาเนี่ยไม่เจาะจงแบบนั้นแล้วก็เจริญโดยคล่องแคล่วเพราะไม่มีประมาณเนี่ยเป็นอารมณ์เจริญไปในสัตว์ทุกมูเรานะครับในทิศทั้งสบด้วยนะครับบทว่าตะนูสังโยชนาหุนติ ความว่าสังโยชสมีปฏิฆะสังโยชตเป็นต้นผู้อันพิจารณากระทําเมตตาชานให้เป็นบาตรหมายความว่าเจริญวิปัสนาโดยที่อาศัยเมตตาชานเป็นบาตรเนี่ยนะครับแล้วบรรลุอริยมรรคเบื้องต่ํำละได้โดยง่ายทีเดียวย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางนะครับถ้าเจริญเมตตาแล้วก็อาศัยเมตตาเป็นบาตรเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระโสดารันสกธาคารมีเนี่ยนะครับโทสะก็เบาบางอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปัสโตอุปทิขยัง ของผู้พิจารณาเห็นธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจึงอยู่นิพพานท่านเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอุปธิพระโยคาวจรย่อมเห็นนิพพานนั้นด้วยมักคยานโดยการบรรลุการทำให้แจ้งธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธินั้น อีกอย่างหนึ่งบทว่าตนูสังโยชนาหุนติความว่าจะกล่าวไปย้ยถึงสังโยชน์แม้สิบประการของผู้ชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธินั้นเพราะวิปัสสนาอันมีเมตตาฌานเป็นเหตุใกล้เป็นพระฐานเนี่ยนะครับอันตนบรรลุพระรหัสกล่าวคือความสิ้นไปแห่งอุปธิโดยลําดับย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางอธิบายว่า ย, ย่อมละได้นะครับถ้าเป็นพระฐานสังโยชน์สิบก็โหกระเด็นกระดอนหมดแล้วนะครับ สังโยชน์เครื่องผูกเนี่ยนะครับหลุดหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีผูกมัดมือมัดเท้ามัดคออีกแล้วนะครับไม่ต้องมัดตราสั่งให้ท่านแล้วนะครับถ้าเป็นผ้าละหันเนี่ยนะถ้าเป็นของเราน่ยมันต้องมัดตราสั่งนะครับมัดมือมัดคอมัดเท้านะมัดมือนี่หมายโอ้ยทิ้งงานไม่ได้มัดเท้าก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่ได้มัดคอก็ทิ้งลูกทิ้งล้านไม่ได้นะครับอายุนี่แหละครับเวียนวนวนเวียนอยู่นั่นแหละครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าตนูสังโยชนาหุนติความว่าปฏิฆะและสังโยชน์ สัมปยุตด้วยปฏิฆะย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางบทว่าปัสโตอุปธิขยังพึงเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าของผู้พิจารณาเห็นเมตตาอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลสแห่งสังโยชน์เหล่านั้นนั่นเองด้วยการบรรลุด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงอ น, นิสงฆ์แห่งการบรรลุถึงยอดแห่งเมตตาภาวนาอันละกิเลสและบรรลุถึงพระนิพพานแล้วบัทนี้ เพื่อทรงแสดงถึงอ น, นิสงฆ์แมยอย่างอื่นอีกนะครับอ น, นิสงฆ์ของการเจริญเมตตาอย่างอื่นอีกนะที่บอกหมายถึงผู้ที่เจริญเมตตานะครับทําเมตตาให้แผ่ประโยชน์เกื้อกูลไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายนะครับบทว่ากุสโลได้แก่เป็นผู้มีกุศลคือมีบุญมากเพราะความดียิ่งหรือเป็นผู้มีความกเกษมเพราะปราศจากความพินาศมีปฏิฆะเป็นต้นนะนะคนที่ฉลาดก็ไม่ปล่อยให้โทสะกําเริบเสบสังขึ้นในจิตนะครับ ด้วยการเจริญเมตตาอันนั้นนั่นแหละบทว่ามณสานุ ก, กัมปิได้แก่มีใจอนุเคราะห์ท่านอธิบายข้อนี้ไว้ว่าเมตตาแม้เป็นวิสัยของสัตว์อย่างหนึ่งก็ตามแต่เป็นกองมหากุศล พระอริยบุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์มีใจอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงด้วยการแผ่ประโยชน์เกือ้อกูลดุดบุตรอันเป็นที่รักของตนนะครับเห็นสัตว์ทั้งหมดเหมือนลูกของตัวนะย่อมกะระทาคือผลิตบุญอันยิ่งใหญ่มากมายไม่สิ้นสุดสามารถถูกพันวิบากของตนให้เป็นไปในหกสิบสี่มหากัปได้ทำไมครับเพราะทำฌานในจิตให้เกิดได้แล้วเมื่อฌานในจิตเกิดเนี่ยนะครับ ก็ฌานบางอย่างเนี่ยอยู่ในพรมทั้งหลายกับนะครับอยู่สบายๆนะเช่นตตทยาฌานจตุทตาฌานเนี่ยนะครับอยู่ได้หลายๆกับนะครับบทว่าสัตตะสันดังได้แก่เต็มไปด้วยหมู่สัตว์คือไม่ว่างเว้นจากสัตว์ทั้งหลายอธิบายว่าเกลื่อนกล่นด้วยหมูมนุษย์นะครับอันนี้ก็หมายถึงพระราชาที่มีใจสงเคราะห์ต่อประชาชนทั้งหลายนะครับได้ยินว่าสังขาวัตถุคือสัตสมีท่าปริสมีท่าสัมมาปาัสสาวะเปยะเนี่ยนะครับ ได้มีแล้วในรัชการก่อนๆสมัยก่อนพระเจ้าโกกาก ร, ราตนะครับคือพระราชาในสมัยก่อนพระเจ้าโกกาก ร, ราตนี่นะครับเขามีวิธีสงเคราะห์ประชาชนอย่างนี้คือการเก็บส่วนที่10จากเข้าวกล้าที่สําเร็จแล้วในส่วนที่พระราชาสงเคราะห์ชาวโลกชื่อว่าสัสมีธาคือทรงฉลาดในการบํารุงเข้าวกล้านะครับถ้าเข้าวกล้าได้10 ส, ส่วนนะครับก็จะให้แก่พระราชาส่วนเดียวนะครับ การเพิ่มอาหารและค่าจ้างให้แก่ทหารทุกเดือนชื่อว่าปริสมธาคือทรงฉลาดในการสงเคราะห์คนหมายความว่าขึ้นเงินเดือนให้ทหารทุกๆ6เดือนนะครับการรับสัญญากู้ในมือของคนจนยกเว้นดอกเบี้ย3ปีแล้วเพิ่มทรับประมาณ 1,000 หรือ 2,000 เพื่อเป็นกำไรชื่อว่าสัมมาปาสะคือคล้องมนุษย์ไว้โดยชอบประดุดทับผูกไว้ในหาไทยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าสัมมาปาสะเนี่ยนะครับ เรียกว่าให้ทุนในการทํามาหากินหมดเลยนะครับถ้ามีกําไรได้พันสอ0 0ัอะไรแล้วก็เอาเอาไว้ใช้นะก็สงขคราะไปการสงขครด้วยวาจาอ่อนหวานเช่นเรียกว่าพ่อลุงเป็นต้นเรียกว่าปวาจาปะยะคือกล่าวถ้อยคําที่ดูดดื่มน่ารักนะครับก็ไม่ได้พูดกระโชกโขกข่าไปดุด่าว่าใครไรล็อก แล้วก็แว่นแคว้นที่พระราชาทรงสงเคราะห์ด้วยสังขาวัตถุสีอย่างนี้ย่อมเป็นแว่นแคว้นที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีข้าวน้ําบริบูรณ์กเกษมปลอดภัยพวกมนุษย์ร่าเริงบันเทิงเล่นหัวฟ้อนรํากับบุตรเรือนก็ไม่ต้องปิดนะครับนอนไม่ต้องปิดประตูว่า ง, งันแ้่ไม่มีใครไปลักไปขโมยอะไรกันหรอกเพราะทุกคนมั่งมีสีสุขกันอยู่แล้วนี้ท่านเรียกว่านิรักละเพราะไม่มีกรนที่ประตูเรือนนะครับ นี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่ว่าสมัยราชการของพระเจ้าโกกากราตพรามนะครับพวกพรามที่กิเลสครอบงําย่ํายีก็เลยไปเปลี่ยนแปลงระบบสังขาวัตถุสิบก็เลยทำให้แว่นแค ว, ว้นวิบัติโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เริ่มระบาดมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับก็เนื่องจากพรามนี่นะครับพรามที่เห็นแก่แต่ลาบสการะนี่นะครับไปบิดเบือนวิธีปกครองของสมัยนั้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยนะ ก็ได้เดือดร้อนนะครับตรงนี้ข้างก็ยกข้อความมาให้มาให้ดูนะครับแต่ผมไม่อ่านนะครับเป็นประเพณีที่หยาบช้ามากครับเบียดเบือนเป็นบูชา ย, ยันมาฆ่าสัตว์เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะสนองติเลพราม์นะเพราะว่าถ้าหากว่าไปอนุวัตตามนี้แล้วพราหม์ก็จะร่ำรวยนะครับที่มาของความชิบหายนะครับยุคลังหลังโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มกาเริบมาตั้งแต่สมัยนั้นก่อนหน้านั้นไม่ป่วยนะครับ ซาทั้งหลายนี่ไม่มีโรคภัยค่าเจ็บอะไรแต่เนื่องจากโคค่าโคเป็นแสนๆนะครับหลังจากนั้นมาโรค ก, ก็เริ่มระบาดแล้วนะครับบทว่าจันทบพพาได้แก่รัศมีพระจันทร์นะครับเาบอกว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะครับจะได้อานิสงส์มากกว่าพระราชาที่ที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับ บทว่าตารคนาวสัพเพความว่ามูดาวเมทั้งหมดย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิหกของรัศมีพระจันทร์ชันใดยันทั้งหลายมีอสมีธาเป็นต้นของพระราชาเหล่านั้นเนี่ยนะครับย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกของเมตตาจิตที่กล่าวไว้ดีแล้วโดยลักษณะที่กล่าวแล้วฉันนั้น บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคําเมียที่ว่าโยนะหันติดังนี้เพื่อทรงแสดงถึงอ น, นิสงค์แห่งเมตตาภาวนาอันเป็นปัจจุบันและสัมปรายภาพบอีกนะครับหมายความว่าผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาเนี่นะผลในปัจจุบันจะมีอย่างไรและผลที่จะมีในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องไม่ลืมใช่ ที่ว่าเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาเนี่ยนะผู้ที่เจริญเมตตาและย่อมหวังอา น, นิสงส์11ประการใช่ไหมครับหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฟันร้ายเป็นต้นนะนะที่ว่าคนยุคปยยัจจุบันที่ว่าอายุเราน้อยลงเนี่ยมันมันได้ยินบอกว่าเป็นเพราะอาหารเพราะอาหารในนี้นะมันมันเป็นเพราะอะไรก็กิเลสด้วยนะครับปัจจัยเยอะนะครับไม่ใช่อาหารอย่างเดียวกิเลสด้วยนะครับ คืออย่างนี้นะเท่าที่สังเกตดูก็เนื่องจากกิเลสเนี่ยนะครอบงําผู้ที่เป็นใหญ่ก่อนบ้านเมืองไม่ปกติสุขก็ทําให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็ดูดสารอาหารไม่เพียงพอเป็นต้นระบบจะมาอย่างนี้ใช่ต้นเหตุจริงๆก็คือกิเลสนั่นเองนะครับกิเลสมื่อกําเริบมากๆแล้วนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้า ก็สุกไม่ดีนะครับสุกบางส่วนไม่สุกบางส่วนมเมล็ดข้าวใส่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะข้าวเหล่านั้นก็ไปหุงไปต้มก็สารอาหารก็ไม่เพียงพอประมาตอนหลังก็มีไอไนนะไรข้าวขัดขาวเป็นต้นนะสารอาหารที่ควรจะได้รับประทานทั้งหมดก็ไม่ได้รับนะครับเมื่อไม่ได้รับก็มันก็จะพาวิบัติไปอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นไปด้วยนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าโยได้แก่บุคคลผู้ขวนขวายแล้วในการเจริญเมตตาพรหมิหาร บทว่าณหันติได้แก่ไม่เบียดเบียนสัตว์รายๆหรือไม่ทําร้ายด้ว ย, ยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นเพราะข่มพยาบาทไว้ด้วยดีด้วยอนุภาพแห่งเมตตานั่นแหละบทว่าณค า, าเตติได้แก่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์บทว่าณะชินาติได้แก่ไม่ชนะใครๆด้วยการแข่งดีและพูดหาเรื่องทะเลาะกันหรือไม่ชนะใครๆด้วยการก่อคดีเป็นต้นไม้จะทําให้เกิดความเสื่อมเพราะไม่มีการแข่งดีกันนั่นเอง บทว่านะชาเปเยได้แก่ไม่เพึงชักชวนแม้คนอื่นทาให้คนอื่นเขาเสื่อมจากทรัพย์บทว่าเมตตังโสได้แก่มีส่วนแห่งจิตสำเร็จด้วยเมตตาอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเมตตังโสเพราะมีส่วนแห่งเมตตาคือมีส่วนต่างๆเพราะไม่ละโดยทองแท้บทว่าสัพพูเตสุได้แก่ในสัพสัตบทว่าเวรันตัสะนาะเกนะจิตนะครับ ได้แก่อกุศลเวรของผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุอะไรอะไรเลยอธิบายว่าความพิโรธอันได้แก่เวรในบุคคลย่อมไม่มีแก่ผู้มีวิหารธรรมคือเมตตานั้นกลับด้วยบุรุษรายๆเลยหมายว่าถ้าหากว่ามีจิตเป็นเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับจะไปนึกเบียดเบียนนึกแข่งข้านึกว่าร้ายก็ไม่มีนะครับเพราะนวภาพของเมตตานะครับถ้าเจริญบ่อยๆมากๆนะครับ อันเมตตาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นฐานอย่างดีต่อการเจริญวิปัสสนาเพราะว่าโทสะไม่กลุ่มรุมนิวรณ์ก็ไม่ครอบงํานะครับเมื่อนิวรณ์ไม่ครอบงําจิตก็ไม่ถูกอวิชชากลุ่มรุมเป็นด้เนี่ยนะครับวิปัสสนาทั้งหลายก็เจริญไม่ยากนะักจิตก็เบาใจก็ผ่องใสอันนะปารพธรรมคําสอนก็ง่ายนะครับสําหรับคนที่โทสะจริตทั้งหลายนี่นะครับอันเมตตานี้ดีจริงๆนะครับถ้าโทสะเจริญนะ แต่ว่าคนที่ราค่าจริตด้วยโทสะจริตด้วยยังไงเสียก็ควรสลับกับอสุภะด้วยนะครับไม่งั้นเอาทุกอย่างเลยนะครับมักไปเกือบทุกๆเรื่องใช่ไหมครับงั้นก็เอาหมดเลยก็นุโมทนาด้วยนะครับครับมันเป็นพักๆใช่ไหมครับเหมือนไข้ขึ้นนะนั้นก็นุโมทนาด้วยนะครับที่เห็นอานิสงส์ที่จะเจริญทุกอย่างบําเพนต์ครับเงั้นให้กรรมฐาน40ิเลยนะครับนะห คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขออนุโมทนาด้วยนะครับ